เจ้าของวัสนาตบอกว่าคณะสิทธิ์ทั้งหมดเป็นลูกทั้งหมดเป็นผู้หนักในศรัทธาจริตกับพุทธจริตแต่ความจริงทัานก็สงสัยมานานแล้วนะแต่ไม่กล้าพูดเรื่องจริตคนต่างๆเนี่ยคนที่บอกถูกต้องมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่รอดได้จะเดา เดาถูกแต่จะไม่ตรงความความปจริงอย่างวัสายที่บุตรนี่ท่านปลารบลูกชายพระลูกชายในช่างของว่าตร็คนหลักในราคาเจริกแต่วารยิงพระอุนั้นเป็นผู้หนักในโรสักเจริตใ น, นพระธาตการให้กรรมาฐานสามเดือนยังไม่มีผลและก็บรรดาต่ตาพุทธศาสนิกชนที่มาที่นี่มีพระอยู่หัวทีเคิปลาล ว่าลูกสิษยงข้อเป็นผู้หนักในศรัทธาจริตได้บว่าใช่หนักในศรัทธาจริตแต่ว่ามีพุทธาจริตบวกบอกใช่ใช่ครับใช่คับเก่งในเรื่องขอหัวแต่ความจริงคนที่มีจริตต้งสำเร็จกายโคตนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริ ต, รตกับพุทธาจริตสองอย่างได้เสืี่ยนในการเจริญกรรมฐานมากหรือว่าเป็นคนที่มีอารมณ์โตก ศรัทาจริตเมืรมเชื่อพุทธจริตเมืรมฉลาดคนที่เชื่อในความฉลาดไม่พลาดในผลกา ร, รปฏิบัติมันวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องพุทธจริตเสียก่อนพุทธจริตนี่พระพุทธเจ้าให้เจริญกรรมฐานสี่อย่างในสีอย่างนี้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสี่อย่างเป็นกรรมฐานที่เราชอบ ถ้าใช้กรรมฐานที่ชอบจะปฏิบัติได้ผลง่ายพุทธจริตมีกรรมฐานสี่อย่างคือหนึ่งอาหารเรียบรื่กูรัญญาก่อนจะบริโภคอาหารพิจารณาว่าอาหารมาจะพื้นฐานอย่างความสุขปร่งักก็สุขปรกเนื้อใส่ก็สกปรกงหรือข้าวที่ได้มาก็มาจะพื้นฐานการสุปรกพบปุ๋ยทั้งสุขอย่างสุขปร่ ในเมื่อเรากินของสุกอบกเข้าเลี้ยลเลี้ยงร่างกายสร้างร่างกายร่างกายก็สุกอบกอย่างนี้นอย่างหนึ่งในเรื่องสองอย่าดูธาตุป็นฐานสี่คือพิจารณาร่างกายว่ร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มยการทรงตัวนานมีความเกิด ข, ขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในช่ากลางแล้วสลายตัวเป็นอันดีสุดนี่นอย่างหนึ่ง แล้วก็มรณ า, านุสตินึกถึงความตายเป็นอารมอย่างหนึง่งอุปสม า, านุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างหนึง่งใน4อย่างนี้ให้เลือกเอาตามชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะพุทธบริษัทที่นี่ส่วนใหญ่ก็มีอุปสม า, านุสติเป็นอารมณ์อยู่แล้ว อุปสมานุกติคือต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องการไปพระนิพพานย่างนี้เรียกอุปสมานุกติไอ้นี่พวเรามีอยู่แล้วเหตุยัไม่อยากยากไว้แต่ว่าการจะประทึกนึกต้องการไปพระนิพพานนี่ก็ต้องมีปรณ า, านุสติควบปรณ า, านุสตินี่เป็นสมนถะภาวนาแต่ว่าความจริงสมถะกับวิปัสสนาญาณเนี่ยมันคู่กัน ถ้ามีความรู้สึกแค่คิดว่าชีวิตนี่มันจะต้องตายอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาถ้ามีความรู้สึกต่อไปว่าชีวิตนี่มันจะต้องตายความจริงชีวิตนี้ร่างกายมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงเดินร่างที่อาศัยโชคคราวเท่านั้นอย่างนี้เป็นวิปัสนาญาณเห็นมันอยู่ด้วยกันเห็นไหมถ้าฉลาด นึกงโง่ก็ตามคิดได้นี้ก็เป็นวิปัสนาญาณด้วยเป็นสมถาด้ว ย, วยนี่นถ้าอารมณ์ของระโสดาบันกับพระสีธาคามีก็มีความรู้สึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายในเมื่อมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายนี่นตัวสมมถะภาวนาตัวปัญญามันก็เกิดเองในเมื่ออารมณ์มันทรงตัวก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นแล้วก็แก่แก่แล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายตัวนี้เป็นวิปัสนาญาณรวมความว่าการจี่จะเจริญอุปจะเจริญจะตัดอารมณ์ในด้านพุท ธ, ธจริตกใ็ใช้กรรมาฐานสองอย่างควบกันไปเลยคือมีความรู้สึกคิดว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายร่างกายนี้ต้องตายมันเป็นสมถภาวนา ร่างกายนี้ถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันต้องไม่ตายมันต้องไม่แก่เพราะเราไม่ต้องการทำมันแก่ไม่ต้องการทำมันตายแต่จริงจริงแล้วมันก็ต้องตายในเมื่อบัญตายแล้วเราไม่ต้องการมันอีกเพราะร่างกายมีสภาพโดยทรงตัวเต็มด้วยความทุกข์ถ้ากายเกิดมีร่างกายเพียงใดแล้วก็พบกับความทุกข์เพียงนั้นพร่างกายไม่ไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่างเดียว ร่างกายที่มีทุกข์ก็ตื่นขึ้นมาเช้ามันก็เลื่มทุกข์แล้วพอตื่นขึ้นมาพับไม่ทันจะล้างหน้ายัาง ไ, ไงคุณนรูวิ่งเข้าสวมก่อนคนอื่นยังไงก็ไปสาบแต่ฉันนั้นแน่ๆนะที่ตื่นมาทีหนึ่งทสองวิ่งเข้าสวมก่อนไม่ันล้างหน้าใช่ไหมี่ยตัวนี้ก็ตัวทุกตัวปุจจาระปัสสาวะมันก็ตัวทุกทุกมาจากไหนทุกมันจากการมีร่างกาย แต่ถ้าอุจาระปัสสาวะมนแล้วถ้ามันนอนยังไม่เต็มตื่นมันก็ง่วงนอนต่อไปให้ตัวง่วงนอนที่ถาวรฝื น, นมันมันก็เป็นทุกข์อีกก็เป็นทุกข์นาริยศัจถ้หาหกว่านอนตื่นสมบูรณ์แบบดีแล้วต่อไปตจนเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าแล้วมีความโงคันไม่ล้างปาก็นความโงคานตัวรำคาญนี่เป็นตัวทุกตัวทุกนี่มาจากไหนมาจากกาย ถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีหน้าไม่มีปากหลังจากนั้นความหิวความกระหยายเกิดขึ้นความหิวความกระหายเกิดขึ้นมาจากใครมาจากร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายความหิวก็ไม่มีความกระหยายมันก็ไม่มีนั้นในช่วงต่อไปร่างกายมันไม่มีการส่งตัวมีความแก่เข้ามาทุกวัน ไอ้ความแก่เข้ามาถึงมากเทไรความทุกข์กากห่านั้นเขาเรียบแรงมักระถอย ง, งึวงฟาตาวฟางทุกอย่างไม่มีอะไรดีทั้งหมดมาแล้วแก่ม่แก่แนละ้วนี่แก่นั่งพูดจะแก่แก่เดินไม่แก่เงยืนยันเมื่อตอนใหม่ๆก็เดินสี่ขาุกใช่ไหมตอนเป็นเด็กอะ ยังเดินสองขาแล้วเดินสี่ขากายขบกลักกบขบกลักกบขบกลักกบต่อมาร่างกายแข็งแรงดีก็เดินสองขาพหความแก่เข้ามาเดินสามขาเนี่ยหลายจังวะยังหวะต้นสี่ขายัางวะที่สองสองขายัางวะที่สามสามขาใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็ตัวทุกไอ้การทุกแบบนี้การเดินไม่คล่องตัวต้องใช้เท้าไม้ยัน ก็เดินเสียไปเสียมาก็โธลมมันมาจากไหนมาจากร่างกายถ้าไม่มีร่างกายจะเดินความทุกอย่างนี้มันไม่มีแต่ต่อมาความป่วยไข่มัสบายเกิดขึ้นไอ้ทุกขเวทนาไอ้กายป่วยไข้มัสบายก็ไม่ต้องบอกกันว่ามันประมาณแค่ไหนเราทรมานร่างกายประมาณจิตใจสร้างความสิ้นเปลืองในทรัพย์สินที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เ พ, เพราะเรามีร่างกาย ถ้าเราไม่มีร่างกายจริงๆแล้วก็ไอ้ทุกตรมานประเภทนี้มันจะไปยุ่กับใครไม่มีจอยู่เพราะในสุดก็ยังไม่ถึงที่สุดจริงตอนมาขั้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการพักผ้าใจของรักของชอบใจย่อมเป็นทุกข์คนที่รักพ่อที่รักแม่ที่รักพี่ที่รักน้องที่รักสามีถ้าจากกันเมื่อไรเอาก็อารมณ์ใจก็เป็นทุกข์ ตัวทุกข์เพื่อความรักที่ตกลจากกันประเภทนี้มาจากไหนมาพีเขามีร่างกายถ้าเราไม่เกิดมีร่างกายการทุกข์อย่างนี้ต้องไหนเกิดทุกขั้นสุดท้ายจริงๆก็คือความตายในเมื่อความตายยังเข้ามาถึงในี่ใครก็ห้ามไม่ได้ความตายย่อมมีเราคนที่เกิดมานแรกทุกคนอาการที่จะตายมันจะปรากฏขึ้นร่างกายจะถูกทรมานอย่างหนัก ผู้กระเวทนาบีบคั้นอย่างหนักถ้าบีบเบามาไม่ตายบีบหนักจึงต้องตายไอตัวนี้ไอผู้กระเวทนาประเภทนี้เกิดขึ้นความตายยังมีขึ้นเพราะมีร่างกายกระมวลความแล้วว่าการเกิดความีร่างกายอย่างนี้มันไม่ดีตัวนี้เป็นมิปัสนายานนการที่จะไม่มีร่างกายต่อไปทำยังไงบำเพ็ญทานอย่างเดียวก็ยังมีร่างกาย บำเพ็ญสิ่งเป็นเครื่องควบคุมก็ยังมีร่างกายต้องใช้ปัญญาวิปัสนาหญ่เข้าช่วยคือสมถาวิปัสนาญ่เข้าช่วยจึงจะไม่มีร่างกายนั่นจะได้แก่พระนิพพานในเมื่อได้ว่าร่างกายเป็นทุกข์จริงๆริงได้กายเกิดมีร่างกายกั้นกายเป็นทุกข์จะต้องตายแบบนี้ต้องทุกขเวทนาแบบนี้เราไม่ต้องการร่างกายอีกคือเราต้องการนิพพาน ก็ถือว่าเป็นการเจริญกรรมฐานสองอย่างควบคู่กันไปสมักเจริญกรรพวกเราคือพุทธจริตคือเบื่อในร่างกายที่จะหนีร่างกายเราต้องการบรรลนิพพ า, านนิพพานนีเรียกอุปสมานุตปิกรรมฐานก็เดียกชื่อจริงๆริงแล้วมันจะแปลมาแย่นะแต่ความจริงเราตั้งใจอยู่แล้วว่าต้องการนิพพานฉะนั้นวันนี้ก็ขอเตือนและแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ทําจิตใจให้มั่นคงในกรรมฐานสมเดการในพุทธจริญความพุทธจริตเป็นเจริญที่มีความฉลาดที่พระพุทธเจ้าทรงจักกรรมฐานไม่ยาพาทเจริญเนื่องก็เพราะว่าอารมณ์ของเราไม่แน่นอนคนมีอารมณ์ไม่เสมอกันไม่ใช่ว่าจะฉลาดเท่ากันโง่เท่ากันเสมอไปและคนทุกคนก็ไม่ใช่จะฉลาดทุกเวลาโง่ทุกเวลา บางทีเช้าฉลาดตอนบากกอ่ายโงุ่กเป็นยังได้มีไหมประสาสื่อใช่ไหมบางทีเช้าตื่นขึ้นมาเฟียประสาทสื่อ ต, ตอนบ่ายกระจับเสียงฉลาดก็เป็นได้โครงความว่าวันนี้ขอมมอนดาแทนพุทธบริษัทยามฝึกฝนความมั่นใจเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ยอมเป็นกรรมฐานแรื่องสมเด็การพ้นไปจากจิตเข้าเราเราจะไม่มีความประมาทในเรื่องของความตาย ในความตายที่เข้ามาถึงเรานี่นพระบรรดานพรธเจริญพระสัตว์โปรดทราว่าตามคติที่พระเจ้าทรงตัดคือตัดตามความเป็นจริงที่จะบอกว่าพิกเวดูก่อนพิสุททั้งหลายพโอเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่ามันอาจจะตายวันนี้ ถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็นึกว่าร่างกายอาจจะตายวันนี้ก็ได้การคิดว่าจะตายวันนี้ไม่ใช่ทำให้มือต่อนเท้าอ่อนทำอะไรไม่ไหวไม่เชียงนันมันจะตายหรือไม่ตายก็ช่างคิดไว้ก่อนว่ามันอาจจะตายก็ต้องคิดต่อไปว่าเราตั้งใจไว้เพื่ออะไรถ้าร่างกายกลางเครื่องนี้มันพังเราต้องการอะไรต้องการเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตถ้าเป็นสุรกายร้าเป็นสัตเดรัจฉานถ้าต้องกายเกิดในอาาากายปูนต้องสี่รายการก็พยายามทำลายสินให้หมดไปทำลายธรรมะให้หมดไปไม่รักษาสินไม่ทรงธรรมอย่างนี้เกิดในาบายภูนแน่ถ้าเราต้องการเกิดเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติในมนุษยธรรมมนุษยธรรมคือทำที่ทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ได้แก่ผมเได้ได้แก่กรรมหมดสิประการ ก็เมื่อวันสิบรายการนี้เรียกว่าวรู้เสียธรรมที่ทําคนให้เกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ทําคนให้เกิดเป็นคนนะทีไงไอ้คาว่าเกิดเป็นมนุษย์กับเกิดเป็นคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันลักษณะาการเกิดเท่ากันรูปร่างอันเดียวกันแต่มีกําลังจิตใจไม่เสมอกันคําว่าคนนี่แปลว่ายุ่งเวลานี้คนมีมากกว่ามนุษย์ใช่ไหย กึกงกูกูกูกูมึงมึงฆ่ากูกูตีมึงมึงด่ากูกูมวยมึงหลอกกันโยุ่งไปหมดคนที่ไม่เคารพในกำมนพเตื่อสิบรายการท่านเรียกว่าคนว่าสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นไม่มีความสุขไม่มีใครใครเข้าความจริงคําว่ามนุษย์ที่ยแปลว่าเป็นผู้มีใจสูงไม่ลืมมนุษย์เนี่ยถ้าแปลว่าใจสูง ถ้าคนท่านแปลว่าโยงเนี่ยถ้าเราต้องกายเกิดเป็นคนก็ไม่ต้องอะไรหรอกมาจากสัตว์มรุกก็ะโลงมาเป็นคนเองก็อยู่ไม่ครบไม่ครบเรียกว่าไม่ครบเหตุไม่ครบผลเน่ยถ้าต้องกายเกิดป็นมนุษย์ให้ทรงกำหนดสิบประการไว้กำหนดสิบประการก็คล้ายกับสิ้นห้าแต่ว่าข้อสุราหายไปแถนธรรมะก็เป็นตอนท้ายขึ้นหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ สไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดปิิกรรมอันนี้เป็นทางกายตรอดทางวาจาก็ไม่พูดพดไม่พูดวาจาหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงเขาแตกหน้ากันไม่พูดวาจาที่ได้ประโยชน์คือทางวาจาทางด้านจิตใจก็ไม่คิดยาได้ทรัพย์สมัยเของคนอื่น แลวกไ ม, ไ, มไม่โกรดไว้คือไม่จองล้างจองผายคนอื่นมีความเห็นตรงทางคำาังสอนของสมเด็จรุสมาลุเจ้าคือปฏิบัติตามทั้งด้านจิตใจม่สามรวมแล้วเป็นสิถ้าปฏิบัติตนอย่างนี้จึงกล่าวว่าตายจะคราวนี้เกิดใหม่เป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ผู้ทรงทั้งศีลและทรงทั้งธรรมมนุษย์จะต้องทรงทั้งศีลและธรรม แต่การเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็มีร่างกายอันนี้แหละมันเรียกว่ามนุษย์มันก็ไม่ดีอีกเราไม่ชอบใจถ้าเราต้องการเป็นเทวดานี่คุณตอนเช้าตืต่นขึ้นมาเนะ่ะตอนเช้าตืต่นมาคิดว่าทรมายกายนี้พังมาได้เราต้องการเป็นเทวดาก็ทรงคุณธรรมของเทวดาทำที่ทําบุคคลเป็นเทวดาที่เรียกว่าวเทวธรรมเทวธรรมมีสองรกกายการวิธีที่โดตปัปา ทำใจคิดว่าเราอายต่อความชั่วเกรงกัวผลความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์เราไม่ยอมทาความชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังคือต่อหน้าคนก็ดีรับหลังคนก็ดีเราไม่ยอมทาความชั่วไม่ยอมพูดชั่วแล้วไม่ยอมคิดชั่วไอ้คิดชั่วอาจจะมีบ้างแต่ยับยัางยัน ม, มันไหลไปทางกายและวาจาถ้าอย่างนี้เราเกิดเป็นเทวดาได้ ถ้าคิดว่าการเกิดเป็นเรรดามันต่ำเกินไปยังต้องเวียนไหตายเกิดมาเป็นคนอีกเป็นสัตว์อีกมันไม่พน้นในความเป็นทุกข์เร า, ารกาาร็าต้องการเป็นพรหมต้องการเป็นพรม ท, งไงทาไหนทำจิตให้ทรงฌานเป็นชาสมาบัติการทรงฌานสมาบัติมีได้หลายลูกแบบอะไรก็ได้อย่างบรรดาแต่พุทธใบสัตว์ยืนนั่งอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้หนักในศรัทธายริ ถ้าหนเกในสัทธาจริตเราก็ใช้พุทธานุสติเป็นอารมณ์ก็แล้วกันเพราใช้กรรมฐานหกอย่างสัทธาจริตก็จับพุทธานุสติเป็นอารมณ์คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่นอนอันดับแรกนะถ้าเราไม่สามารถจะมีทิตปัญญาเห็นภาพพุทธเจ้าได้ก็จับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นใจให้ติดใจไว้เสมอนึกขึ้นมามาันใดนึกเห็นภาพพุทธรูปองค์นั้นเสมอทุกครั้ง อย่างนี้ถือว่าจิตเป็นฌานในพุท ธ, ธานุสติกรรมฐานถ้าเวลาถ้าอาการเป็นอย่างนี้ตามปกติเวลาป่วยไข้ไม่สบายมันจะตายจริงๆธรรมะทั้งหมดจะเข้ารวมตัวจิตจะแนบแน่นในพุท ธ, ธานุสติมากเจนภาพพระเจ้าชัดเจนแจ่มใสมากไม่ะจะมีรมส่งตัวอย่างนี้ตายาตะไปตะพมแน่ เมื่เห็นว่าการตายแล้วไปเป็นผมก็ยังไม่พ้นการเป็นผมได้่ับเกิดมาแล้วหลายครั้งพรอหมดวาระที่ไรก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกวันที่เลยเป็นนรกเราต้องการบริพานเข้าอุปสัสสานุสติกรรมฐานเข้าพุทธานุสติถ้าเราต้องการบริพารจริงๆตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ตั้งตัดสินใจว่าวันนี้ทั้งวันระยะตัดอารมณ์สารการไม่มีในใจ เพื่อหนึ่งความโลภอยากได้ทรัพย์สมัยของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมจะไม่มีในจิตใจของเราความโลภนี่มันหมายความความถึงความขยันหมั่นเพียรนะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความมีทรัพย์น้อยเป็นคนจนแต่สามารถประกอบกิจการงานในความขยันหมั่นเพียรเป็นคนรวยอย่างนี้ไม่เรียกว่าโลภ ก็ได้เจ้าส่งเรื่องวสัมมาจีวะเรื่องหาชีพโดยชอบทำคือการไต่ความโลภก็ได้แก่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นของเราโดยไม่ชอบทำคือไม่อยากลักไม่อยากขโมยไม่อยากโกงนั่นเองเราเมือ่อต้องการต้องการในเพียงว่าโอกาสใดที่เราหา ม, มันได้โดยชอบธรรมเราจะเอาอย่างนี้ไม่ต้องยักยังทําได้ทันทีขยันเท่าไรก็ดีแล้วกับรายการที่สอง เราจะมีอารมณ์เมตตาจิตเมตาามตาคือความรักกรุณาคือความสงสารสองได้การประกอบกันและจะถือว่าเราเป็นมิตรีดีของคนแลสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นเวรเป็นภยัยกับใครไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะมีเมตตาจิตรักเขาเหมือนกับรักตัวเราเราจะมีอารมณ์กรุณาสงสารเขาเหมือนสงสารตัวเรา ถ้าบุคคลและสัตว์ผู้ใดมีความทุกข์ยากทาไมเกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยใจเราจะช่วยให้มีความสุขนี่เป็นอารมณ์ที่เราตั้งไว้ตอนเช้าหลังจากนั้นข้อที่สามคือโมหตัดตัดโมหะทิ้งไปการตัดโมหะก็ใช้ปัญญาพิจนาตามความเป็นจริงตัดโมหะจริงๆตัดที่ตัวเราไม่ใช่ไปตัดที่คนอื่น ตาที่คนอ่มันตัดง่ายตัดที่เราตัดยากก็มาตัดที่ร่างกายของเราคิดว่าไ อ, อ, อ้โลกมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีใครอยู่ที่ตลอดตลอดการตลอดสมัยไหมก็จะพิาจารณาว่าโลกมนุษย์ทั้งโลกคนทั้งโลกเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นวัตถุ ต, าต่างๆที่เขาสร้างขึ้นแข็งแรงขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็พัง แม้แต่ภูเขาที่เป็นหินต่อไปก็เกิดการย่อยับลูรังที่เขาไม่ใช่คือหินจากภูเขาที่มันปผุแล้วแร่างกายของเราจะทรงอยู่ได้อย่างไรกรองความว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้เข้าอารูปฌานที่เรีว่าอากิ น, จ, นจัญญายจตนชานถ้าบอกชื่ออกิ น, จ, นจัญญายจตนชานจะบอกว่าหนักแต่ความจริงไม่หนัก พิพุทธเจา้าทรงแนะนํากับฤาษีขงพรมพาวรีฤา <c oughs> ษีขงพรมพาวรีบอกว่าถามว่าถ้าต้องการไปนิพพานให้ปฏิบัติตนอย่างไงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ใช้อาจินญญาจะต้องฌานเป็นปกติคือใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุทธายก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในที่สุดก็พังหมด เราก็หันมาดูร่างกายของเราว่าร่างกายในที่สุดมันก็พังเหมือนกันเราจะยึดเหนี่ยวร่างกายว่าเป็นเราเป็นพวกเราต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรในที่สุดร่างกายมันจะพังถ้ามันจะพังอะไรเราต้อง ก, การจุดเดียวคือมีพานธุทรัพย์หินที่มีอยู่ถือว่ามีประโยชน์สําหรับที่ทรงชีวิตอยู่เท่านั้นสามีพันยาบุตรดาวิดามันได้ก็ตามท่านเป็นผู้มีคุณเป็นคนที่อารัก แไปในเมื่อตายแล้วแต่งคนแต่งเขาต้องจ่าย ก, กันจะไปคิดว่าเราจะไม่ยอมจ่าย ก, กันไม่ยอมตายจากกันเป็นไปไม่ได้ไต้องตายแน่ก็ตัดสินใจว่าถ้ามันจะตายเมื่อไหร่ขึ้นเยื่องความห่วงใยบุคคลใดๆเคก็ดีจะไม่มีสมบัติเราความห่วงในทรัพย์สินจะไม่มีสมบัตริเราและความยิ่งห่วงก็ไม่จะเกิดประโยชน์ แม้แต่ห่วงร่างกายนิดหนึ่งก็ไม่มีสำหรับเราร่างกายนี้ไม่อยากจะพังพังอะไรประเชิญพังอะไรที่ต้องการปฏิพานธ์มานั้นนี่ตอนช้ามืดถ้าหวังปฏิพันธ์จริงๆเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆให้ตั้งอารมณ์ไมเจ้องสามรายการหนึ่งเราจะไม่โลภก็ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบทำรายการที่สองจะคิดไม่ไม่ยอมคิดเป็นศัตรูกับใคร เราจะมีความเมตตาคือความนักกุศลความสงสารหวังเกือ้อกูคนแสัตว์ให้เป็นสุขตั้งกำลังที่พึงทําได้เราจะไม่มีเยื่อใหยในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดในโลกนี้วัตถุธาตุที่เดินได้ก็ดีเดินไม่ได้ก็ดีและเมื่อมีแล้วก็มีไปแล้วก็มีความเมตตาบารมีแล้วถ้ามันจะตายเราจะไม่โงใหญ่ยอะไรทั้งหมด พยายามไข่คนในใจของเราว่าเวลานี้ถ้ามันจะตายเวลานี้จริงๆเราห่วงอะไรบ้างห่วงทรัพย์สินไหมถ้าคืนห่วงก็ไม่ใช่พุทธาจาริยถ้าคนตายแล้วไม่สามารถจะกลับมปใช้สมบัติได้ทรัพย์สมบัติที่สร้างไว้เราไม่มีสิทธิ์เราก็ต้องไม่ห่วงเราจะห่วงบิดามารดาผู้มีคุณไหมมนเมืม่อเราจะตายจริงๆ จ, จ, จะห่วงอะไรท่าน แต่เมื่อเราจะห่วงเมื่อตายเป็นเทวดาทุกข์ผมเป็นพ่อหลานไปแล้วเนะ่ยใช้ได้ทีหลังในขณะที่มันยัตายไปจิตคิดห่วงมันก็เวียนว่าแต่เกิดในวัตะเราก็ต้องไม่ห่วงคนที่รักวัตถุที่รักเราก็ไม่ห่วงร่างกายเราห่วงไหมแล้วก็ดูร่างกายตามความเป็นจริงว่าอาการทุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวการที่มีร่างกายอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์เราก็ไม่ห่งมันอีกแคตัวทุกข์นี่ปล่อยมันไป ถ้าตั้งใจว่าอย่างนี้จริงๆตามรูปแบบของพุท ธ, ธจริญในมหคธธรรมจิตให้สมตัวใช้เวลาไม่มากจะทรงอารมณ์อย่างนี้ส้กสองสามนาทีหรือห้านาทีก็ตั้งใจตอนเช้ามดึดมีว่ากระทั้งด้านสุขวิบัสโกนะถ้าตัดสินใจว่าวันนี้ถ้าตายเมื่อไรเราขอไปนิพพานจุดเดียว แต่อามณเป็นความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีในเราตั้งใจไว้แบบที่ให้แน่นอนแต่ก็จะลืมว่าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนผ้ า, ารลานเพื่อนใดมันก็เสือได้มีกันต่อไปถึงตอนกลางวันบระเอิญมันจะตายจริงในช่วงนั้นเราไม่ได้คิดถึงอารมณ์นี้เรามีงานมีงานจะต้องทํามีว่าจะมีปากจําเป็นจะต้องพูดและก็ไม่ได้พูดมันทําในงานนี้พรเอิ่นมันตายจริงแล้วไปไหน ไม่รู้ว่าอารมณ์ที่ตั้งไว้ตอนเช้าจริงๆมันเป็นอารมณ์ทรงตัวให้มันแน่นอนถ้าตั้งไว้ตอนเช้าแบบนั้นจะตายเวลาไหนก็ตามมันจะไปนี่ผ่านทันทีไม่อยากอยากไหมไม่อยากนะอย่าลืมนะถ้าเปิดอะไรอารมณ์รบมันมนั้นแล้วก็ถ้าตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติไม่ช้าอาการอย่างนี้อย่างทรงตัวจิตอารมณ์จิตจะเป็นสุข ถ้าเผลอไปบ้างถ้าการเผอลอทั้งเผลอเกิดขึ้นจะไม่ประนามตัวว่าเร็วขึ้นไปต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมจิตแต่ตอนเช้าถ้าตั้งให้ตรงจริงจิตมีสภาพไม่ลืมมันคิดจดเสมอในห้วงข้ในมันจําข้อหน่อจะจําอะไรไม่ได้สัญญาอาจจะเผลอได้แต่จิตใจมันจะไม่เหลือกระรองความว่าวันนี้ก็มาพูดถึงพุทธเจริญ ที่บรรดาแตงพุทธบริษัทรับแยกกรยาองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรุษแล้วท่านบอกว่าคณะของเธอทั้งหมดถ้าเป็นคณะจริงๆตัวนี้หนักในศรัทธาจริตจากพุทธจริตวันนี้เราขอพูดเรื่องพุทธจริตพุทธจริตให้เจริอกรรมฐานสองอย่างเพราะทางนี้ทุกคนมีอารมณ์ทรงตัวอยู่แล้วสําหรับอุปสมานุสติกรรมฐานนะทุกคนตั้งไว้แล้วคือเวลาตายต้องการปณิภัน์ นี่คือเป็นอุปสมานุสติกรรมฐ า, านนี่ก็ต้องคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ก็ได้ตัวนี้อย่าลืมเมื่อคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราวันนี้ความประมัดผมก็ไม่มีท่ ต, ต้องมีการระวังตัวหนึ่งพุทธะพุทธานุสติยอมรับแนะับถือพระพุทธเจ้าก็มีอยู่และท่าเราที่จะตายต้องพระพุทธเจาพพ้าเปิดปื้งสองธรรมานุสติ ขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งสามสังคันติของพระอริยสงฆ์ไป็นทีพึยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ต่อไปก็รมัดระวังในสินห้าพระคนคีดผิดตายก็ระวังแน่นอนระวังในศินห้าคือสินห้าข้อมีอะไรบ้างปานาไม่ขาสัตว์อธินนาไม่รักทรัพย์การม่ไม่แย่งสามีปัญญาเขาไม่ละเมิดสิทธิ สมุสาวัติเวนกันสาวัตสุราไม่ถึงสุราจะมีไรตัองใจว่าสินห้ารายการจะมีกเราแน่นอนแต่ใหม่ๆก็เิดบ้างอะไรบ้างไปขอธรรมาดาให้ยืนรูวว่าถ้าตั้งอารมณ์ใน ต, ตอนเช้าว่าเราจะปนนานพนิพานคือตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงให้กำลังจริงๆเป็นแค่สองสานาทีก็พอนี่สหรับสุขภาพสโก แต่ท่านที่จะเดินในตั้งฉราพิ่โยเคือมโนยิทธใช้อารมณ์อย่างนี้ให้แน่นอนทักสองสามนาทีแล้วพุ่งใจไปนิพพานทันทีเวลานั้นเอาอธิยสมาลัยกายไปตั้งไว้ที่นิพพานเลยจะไปอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าทิริมายของท่านก็ดี้ะไปอยู่วิมัยของเราก็ตามถ้าอยู่วิมัยของเราไม่เห็นพระพุทธเจ้านึกถึงท่านเมรัึ้งออกมาเหมือนนั้น เราอยู่ตอนหน้าท่านตัดสินใจว่าวันนี้ถ้านจะตายอะไรขออยู่ที่นี่แห่งเดียวขอ่าที่นี่ผ่านแห่งเดียวมันได้เวลาส่งคนแล้วก็กลับถ้าเป็นอย่างนี้ตายอะไรปฏิพาณเหมืนั้นอรั บ, บันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้คิดว่าอธิบายตามจริตที่ท่านทรงอยู่คงไม่ลําบากลําบากไหมไม่ลําบากนะฉันพูดก็ไม่ลําบากคนฟังก็ไม่ลําบากแต่ปฏิบัติลาบากหรไม่ลําบากเนี่ เราต้องพยายามฝึกฝนนะอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้คิดว่าจังสื่อนั้นหลไม่เกินไปใส่สำหรับเราจะาทำประเดี๋ยวเดียวให้สำเร็จผลมันไม่ได้หรอกแต่วก็จงอย่าลืมว่าเช้ามืดแต่อารมณมันดีตื่นใหม่ๆอารมณ์นี้ให้เปียตัดสินใจให้แน่นอนให้อารมณ์มันส่งตัวสักสอนาที5นาที10นาทียิ่งดีใหญ่สําหรับสุ ข, ขสการ์ดสโก ท่านพูดจะเดินชลพินโยตั้งอารมณ์นีแล้วพูนใจบันนี้ผ่านเลยเรื่อนี้ไม่พลาดแน่ตอนนี้ไปทุกทา่านตั้งใจสมาทานสิ่งนสมาทา น, นกรรมฐานตื่นพุทธบริัทหลายปฏิบัติตามอัจริยาใช้ท่านที่เคยภาวนาก็ดีเจะนายก็ดีนนยดอย่างไหนเข้าอยู่แล้วก็ต้องเนาเปให้ใช้ตามเดิมแต่ว่าสําหรับญาติโยนถ้าบังเอิญใหม่จริงๆไม่เคยปฏิบัติใจที่อื่น สำหรับท่านที่เคยปฏิบัติยาที่อื่นมาแล้วได้มาที่นี่ใหม่ให้ใช้คำภาวนาและภาวนาพิจารณาตามเดิมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะการปฏิบัติจะมีผลเสมอกันแต่ว่าญาติโยที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมาก่อนแจะไข่คนอย่างตามที่กล่าวมาแล้วถึงมรณานุติสมถายนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็ได้นึกถึงผลิตพัณฑ์เป็นอารมณ์ก็ได้ นึกถึงว่าเราจะต่ความโลภต่ความโกรธไต่ความหลงตามที่อธิบายมาแล้วคนได้ถ้าภาวานาถ้าไม่รู้จะภาวานาไอยังไงให้ใช้ครภาวนาว่าพุทโธร้าย ใ, ใจเข้าเนี่งพุทห้ไดใจออกตัวโตตอนนี้ไปคนใดจะัิปฏิบัติได้ให้เวลา 10-20 นาที